มียาตยมก็เห็นภาพที่ถ่ายไปว่ามีคนมาฟังเทศฟังธรรมกันก็เลยอยากจะรู้ว่ามาฟังได้ไหมความจริงก็อยากจะให้มาแต่สถานที่มันไม่มีอะไรรับรองไม่มีที่มุงที่บางถ้าฝนตกก็ตัวไข่ตัวมัน แล้วก็ไม่มีเสือไม่มีอะไรจัดให้ถ้ามาก็ต้องเอาไมงที่จอดรถก็ไม่ค่อยมีถ้าบอกว่าเปิดให้คนทั่วไปเข้ามาฟังได้กลัวว่ามันจะไม่สามารถที่จะรองรับคนที่เคยมาได้ ปกตินี่คนที่มาฟังเทศฟังธรรมบนเขาในแต่ละเสาร์อาทิตย์นี่ก็วันละร้อยสองร้อยขึ้นไปทะนั้นก็เลยบอกว่าคนทางก็บอกถ้าจะมาก็มาได้แต่ถ้าไมไม่มาได้ก็ดีกว่ามาก็ไม่ห้ามแต่ต้องช่วยตัวเองต้องมีเสือมา เองแล้วก็หาหมุมหาร่มของร่มไม้ตามขอบสนามหญ้าก็ไม่อยากจะปิดกัน้นแต่อยากจะบอกให้ทราบว่ามันอาจจะไม่สะดวกสบายไม่พร้อมอยู่บ้านสบายกว่าฟังจากยูทู e ฟังจากเฟ e บุ๊กก็ ได้เหมือนกันทำมะอันเดียวกันอาจจะต่างตรงที่บรรยากาศของสถานที่เราฟังอยู่ที่บ้านอาจจะมีบรรยากาศที่อาจจะไม่ร่มรื่นไม่เป็นป่าเป็นเป็นไพรถ้าเป็นป่าเป็นไพรมีต้นไม้ มีอะไรแล้วมันก็อาจจะเสริมบรรยากาศของการฟังเทศฟังธรรมเสริมความสงบที่เป็นป่าเป็นเขาเป็นที่เอื้อต่อความสงบการฟังธรรมนี้ก็มีเป้าหมายอยู่สองเป้าหมายด้วยกันคือหนึ่งฟังเพื่อความสงบของใจ สองฟังเพื่อให้เกิดปัญญา<ม>เกิดความรู้ความฉลาด<ม>เรียกว่าเกิดสัมมาทิฏฐิ<ม>คือความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาทิฏฐินี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ จากการไปศึกษาจากสถานที่ต่างๆจากสถาบันการศึกษาต่างๆเพราะสถาบันการศึกษาทั้งหมดในโลกนี้ยังอยู่ภายใต้ความครอบงามของมิจฉาทิฏฐิอยู่คือความเห็นผิดเป็นชอบความไม่ได้เห็นตามความเป็นจริง เพราะสิ่งที่ต้องเห็นนี่เป็นสิ่งที่ยากต่อการเห็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิเช่นพระพุทธเจ้าแม่พะาะอนตสาวกนท่านเป็นเหมือนคนที่ตาดีส่วนคนที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิหรือมีมิจฉาทิฏฐินี่ เป็นเหมือนคนตาบอดหรือคนที่อมีภาพปิดตาเอาไว้อืเวลาตาของเรานี่ถูกปิดลงนี่เราจะเห็นอะไรเราก็จะเห็นแต่ความมืดพอหลับตาปั๊บนี่จะเห็นไม่เห็นอะไรไม่เห็นภาพต่างๆเหมือนกับตอนที่เราลืมตาขึ้นมา คนที่หลับตาก็จะบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยมองไปข้างไหนข้างหน้าข้างหลังก็เหมือนกันหมดมีแต่สีดำหรือมีแต่จอขาวๆถ้าเป็นจอแต่คนที่เปิดตาขึ้นบอกโอ้มีอะไรเยอะแยะไปหมดมีต้นไม้มีถนนมีรถอยนต์มีคนมี มีสัตวมีนกมีอะไรนี่คือความแตกต่างระหว่างคนที่มีมิจฉาทิฏฐิกับคนที่มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคนที่มีสัมมาทิฏฐิเห็นอะไรที่คนที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิมองไม่เห็นก็คือเห็นจิตตวิญญาณ น, นี่เอ เห็นจิตใจที่เราเรียกว่ากายทิพย์กายละเอียดชีวิตของเรานี้มีร่างกายอยู่สองอ้างด้วยกันร่างกายหยาบและร่างกายที่ละเอียดคนที่มีมิจชาทิฏฐิคนที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิก็จะเห็นเพียงร่างกายหยาบ เพียง ส, ส่วนเดียวจะไม่มีวันที่จะเห็นร่างกายละเอียดหรือที่เราเรียกว่ากายทิพย์ได้เลยเพราะการที่จะเห็นกายทิพย์นี้ต้องเปิดตาในรเราก็มีสองตามีตายาบคือตาที่มากับร่างกายแล้วก็ตาละเอียดเรียกว่าตาทิพย์ ที่มากับกายทิพย์นี่เองอการที่จะเห็นกายทิพย์ได้ต้องเปิดตาทิพย์ตาทิพย์ตอนนี้ถูกปิดลงด้วยโมหะอาวิชานั่นเองอซึ่งก็เปรียบเหมือนกับคนตาดีที่ถูกปิดตาด้วยผ้ามัดตาเอาไว้ถ้าเราหน้ากากที่เราปิด ป, ปิดจมูกนี้มาปิดตาเราด้วยเราก็จะไม่เห็นอะไรเห็นแต่เห็นแต่ความว่างถ้าเป็นจอภาพก็เห็นจอว่างๆไม่เห็นอะไรต่างๆอันนี้แหละทาไมเราถึงต้องมาฟังเทศฟังธรรมกันเพราะว่าธรรมคือคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ เป็นคำสอนของคนที่ตาดีคนที่มีสัมมาทิฏฐิคนที่มีความเห็นชอบคนที่เปิดตาในได้เปิดตาทิพได้ <Yeah. S 1> พอเปิดตาทิพก็จะเห็นกายทิพนะจะเห็นว่าชีวิตของเรานี้ไม่ได้ประกอบเพียงกายยาเพียงส่วนเดียวกายยากเป็นส่วนที่ เราเห็นกันแต่กายทิพย์ถ้าเราไม่เปิดตาทิพย์นี้เราจะไม่สามารถมองเห็นได้เมื่อเราไม่เห็นกายทิพย์เราก็จะเหมาว่าชีวิตของเรานี้มีเพียงแต่ร่างกายเป็นส่วนประกอบแล้วเราก็จะคิดว่าพอร่างกายนี้ตายไปชีวิตเราก็จบสิ้นลง ร่างกายของเราก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมของเขาร่างกายนี้มาจากธาตุเชิงสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่มารวมกันแล้วก็ทำให้เกิดอาการ 3.2 ขึ้นมาเราเอาธาตุดินเข้ามาในรูปแบบของอาหาร อาหารที่เรารับประทานนี้ทามาจาก่าตดินข้าวมาจากไหนข้าวที่เรารับประทานกันมาจากไหนผักที่เรารับประทานกันมาจากไหนก็ต้องมาจากดินเราปลูกผักปลูกข้าวในดินแล้วธรรมชาติก็แปลงดินให้มากลายเป็นผักเป็นข้าวเสร็จแล้วเราก็เอามาหุงมาต้ม แล้วเราก็รับประทานผักรับประทานข้าวเข้าไปในร่างกายก็เท่ากับเราเอาธาตุดินเข้าไปในร่างกายแล้วนอกจากธาตุดินเราก็เอาธาตุน้ำด้วยน้ำที่เราดด่นเข้าไปนี่ก็เป็นธาตุน้ำน้ำที่ผสมกับอาหารเวลาทำกับข้าวก็ต้องมีน้ำมีน้ำแกงมีน้ำอะไร ง น, นเราก็เอาธาตุน้ํากับธาตุดินเข้ามาผ่านทางอากาทางอาหารโดยโดยหลักธ<ม>าตุดินนี้ต้องมาทางอาหารของกิจทั้งหลายขนมนมเลยทั้งหลายก็ทํามาจากแป้งแป้งก็ทํามาจากข้าวข้าวก็มาจากดินส่วนใหญ่ธาตุดินเนี่ยมาจากอาหารมาสิ่งที่เรารับประทาน ส่วนธาตุน้ำก็เป็นสิ่งที่เราดื่มเข้าไปของเหลวต่างๆธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าออกที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาธาตุไฟก็คือความร้อนจากแสงพระอาทิตย์นี่เองเวลาแดดออกนี่เราก็ร่างกายเราก็จะร้อนขึ้นมาเวลาพระอาทิตย์ตกดิน ร่างกายเราก็จะเย็นลงแต่เรามีเหมือนมีแบตเตอรี่ไว้ในร่างกายของเราที่เก็บธาตุไฟเอาไว้ถึงแม้ว่าธาตุทิ่จะตกดินไปแล้วร่างกายของเราก็ยังมีธาตุไฟอยู่เพราะร่างกายของเรานี้ถ้าขาดธาตุไฟไปเมื่อไหร่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน ถ้าขาดท่ า, ดาหนึ่งท่าใดไปไม่สมบูรณ์ก็อยู่ไม่ได้ขาดท่านลมนี่ก็ไปเลยใบเร็วที่สุดคือเวลาขาดท่านลมพอไม่หายใจปั๊บไม่เกินสองสามนาทีก็ชีวิตก็สิ้นสุดลงร่างกายก็สิ้นสุดลงถ้าขาดทานน้ำก็ายาวหน่อยอาจจะ อยู่ได้ประมาณเจ็ดวันสิบวันอาศัยธาตุเก่าธาตุน้ำที่มีอยู่ในร่างกายหล่อเลี้ยงไปจนกว่ามันจะเหือดแห้งไปแล้วก็ขาดธาตุดินก็ยาวหน่อยขาจางเดือนสองเดือนก็ได้พระพุทธเจ้าอดข้าวสี่สิบเก้าวันขาดธาตุดิน ขาดธาตุไฟคือความร้อนก็อาจจะเสียชีวิตได้ในเวลาไม่ไม่นานนะถ้าไปลองไปอยู่ที่อากาศหนาวๆแล้วไม่มีผ้าห่มดูอยู่ที่ถ้าไปนอนกลางหิมะอยู่สักคืนหนึ่งก็อาจจะแข็งตายเพราะร่างกายขาดธาตุไฟ ที่พูดมาทั้งหมดนี้เพื่อให้เราเห็นว่าร่างกายของเราเนี้ไม่ได้มาจากที่ไหนมาจากธาตุทั้งสี่นี้เท่านั้นเองคือธาตุดินน้ำลมไฟที่จะต้องมีในปริมาณที่เหมาะสมถึงจะทำให้ร่างกายนี้อยู่ไปอย่างปกติสุขอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบาย ต้องมีความสมดุลของธาตุทั้งสี่ธาตุน้ำก็ต้องพอดีธาตุลมก็ต้องพอดีธาตุดินก็ต้องพอดีธาตุไฟก็ต้องพอดีร่างกายถึงอยู่ได้แต่ไม่ว่าเราจะดูแลร่างกายด้วยธาตุทั้งสี่ให้สมบูรณ์อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของธาตุทั้งสีนี้เขาก็จะพยายามแยกตัวออกจากกันเราบังคับเขาให้เขามารวมตัวกันเช่นพอเราออกจากท้องแม่มาเราก็บังคับเอาธาตุดินเข้ามาเอาธาตุลมเข้ามาเอาธาตุน้าธาตุไฟเข้ามาเราบังคับเอาธาตุทั้งสี่มารวมกันเลยทําให้ร่างกายขยายตัวขึ้นเจริญเติบโตขึ้น แต่การเจริญเติบโตของร่างกายนี้มันก็จะมีขีดจำกัดพอมันเจริญเต็มที่แล้วมันก็จะไม่ยอมเจริญต่อไปพอมันเจริญเต็มที่เป็นผู้ใหญ่อายุสี่สิบขึ้นไปแล้วก็ถือว่าร่างกายนี้เจริญเต็มที่แล้วแล้วต่อจากนั้นมันก็จะเริ่ม เสื่อมลงธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่เราเอาเข้าไปนี่มันจะไม่ยอมอยู่ด้วยกันเหมือนตอนที่เริ่มต้นใหม่ๆมันจะคอแยกตัวออกจากกันมันก็เลยทำให้ร่างกายแก่ชราลงไปแล้วก็มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยตามมาในเมื่ออวัยวะต่างๆ ขาดดินน้ำลมไฟที่จะมารักษาให้มันทำงานตามปกติได้ต่อไปอวัยวะต่างๆก็จะเสื่อมลงหัวใจก็จะเสื่อมปอดก็จะเตืเสื่อมตับไตไส้พุงอะไรต่างๆก็จะเสื่อมลงไปเสื่อมไปเสื่อมไปก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมา มีโรคหัวใจมีโรคปอดมีโรคอะไรําไส้โรคตับโรคไตอวัยวะต่างๆนี้มันเสื่อมมันก็จะทำให้เกิดโรคขึ้นมามันนี่แสดงว่าการรวมตัวของธาตุสีนี้มันมันไม่ยอมรวมตัวแล้วมันจะแยกออกจากกันมันจึงทำให้อวัยวะต่างๆเสื่อมลงไป แล ouvert, ้วพอมันแยกถึงขีดหนึ่งมันก็ทำให้อวัยวะหยุดทำงานทำให้หัวใจหยุดทำงานทำให้ปอดหยุดทำงานทำให้ตับให้ไตหยุดทำงานขึ้นมาก็ถ้ามีวิธีรักษาได้ซึ่งแพทย์สมัยใหม่นี้เขาก็เก่งเขาก็สามารถเอาปอดเอาไตของคนที่ตายไปแล้ว เอามาให้กับคนที่ยังไม่ตายนี้ใช้ต่อได้นก็มีการเปลี่ยนทายเอาวิยาวะต่างๆเพื่อพยุงชีวิตของร่างกายให้อยู่ต่อไปได้อระยะหนึ่งแต่ในที่สุดร่างกายก็จะหยุดทำงานเพราะพอทานลมนี้ ไม่เข้าไปในร่างกายแล้ว<ม>ก็เป็นจุดอวสานของร่างกายนี้พอธาตุลมไม่เข้าแล้วทีนี้ก็จะมีแต่ออกธ<ม>าตุลมก็จะออกธาตุไฟก็จะออกธ<ม>าตุน้ำก็จะออก<ม>จนในที่สุดก็จะเหลือแต่ธาตุดินร่างกายถ้าปล่อยทิ้งไว้ต่อไปมันก็เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นดินไป นี่คือส่วนครึ่งหนึ่งของชีวิตของพวกเราคือร่างกายที่พวกเรารู้จักกันเห็นกันเรารู้เรื่องของร่างกายเราดีมากพวกหมอพวกแพทย์ น, นี่เขารู้เรื่องราวต่างๆของร่างกายแต่ไม่มีใครรู้เรื่องราวของจิตใจเพราะการที่จะรู้เรื่องราวของจิตใจได้นี้ต้อง มีตาในต้องมีตาทิพต้องเปิดตาทิพตเพราะเราทุกคนมีตาทิพตกันมีตาในมีกายทิพตกายทิพตนี้ก็มีตาทิพตมีหูทิพตสามารถที่จะเห็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกทิพตได้สามารถได้ยินเสียงที่หูธรรมดาได้ยินไม่ได้ได้ยินเสียงของเทวดาของกายทิพตต่างๆ เห็นภาพเห็นรูปของกายทิพย์ต่างๆการที่จะมีตาทิพย์หรือเปิดตาทิพย์ของเราขึ้นมานี้เราต้องใช้การปฏิบัติที่เรียกว่าการภาวนานี่เองการภาวนานี่แหละเป็นวิธีที่จะทําให้เราเปิดตาทิพย์เปิดตาในของเราให้เราได้เห็น กายทิพย์ของเราว่านอกจากเราร่างกายของเรากายหยาบของเราแล้วเรายังมีกายทิพย์อีกกายนึ่งกายทิพย์นี้จะไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับกายหยาบกายทิพย์นี้จะมีความรู้สึกนึกคิดเมีผู้รู้ผู้คิด นี่คือตัวของกายทิพย์กายทิพย์นี้เป็นผู้รู้สึกนึกคิดและเป็นผู้ที่มาสั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆร่างกายนี้เป็นบ่าวกายทิพย์นี้เป็นนายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นผู้สั่ง ให้ร่างกายทำอะไรต่างๆอย่างวันนี้ผู้รู้ก็รู้ว่ามีการแสดงธรรมที่นี่ผู้รู้ก็สั่งด้วยความคิดสั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาที่นี่เพราะจะมาทำหน้าที่สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ถ่ายทอดก็มาทำหน้าที่ถ่ายทอดการแสดงธรรม สำหรับผู้ที่ต้องการฟังธรรมก็มาฟังธรรมผู้รู้ผู้คิดนี่เป็นผู้สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาจากบ้าน<ม>จากที่พักถ้าอยู่ในวัด<ม>ก็มาจากที่พักในวัด<ม>บางท่านก็เดินมามบางท่านก็ขับรถมานั่งรถมา ม, ม, มาแล้วก็มาทำหน้าที่<ม><ม>ผู้ที่ ทำหน้าที่จริงๆคือใจคือกายทิ่ผู้รู้ผู้คิดร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือของใจเป็นเหมือน ร, นรถยนต์รถยนต์นี้เป็นเครื่องมือของคนขับรถคนที่ขับรถนี้ไม่ใช่เป็นรถคนที่ขับรถนี้เป็นคนขับคนที่ใช้ร่างกายก็ไม่ใช่ร่างกาย คนที่ใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆก็คือกายทิพย์นี่กายทิพย์นี่แหละเป็นตัวที่จะไม่ตายไปกับกายอย่างเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วกายทิพย์นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะเป็นคนละคนกัน กายที่ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับกายยาบเนื่องจากว่ากายทิพย์นี้ไม่ได้มีส่วนประกอบเหมือนกับกายยาบนั่นเองออกายยาบมีส่วนประกอบคือธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเราจึงเรียกร่างกายนี้ว่าสังขารสังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการผสมปรุงแต่ง ของธาตุสี่คือของดินน้ำลมไฟเหมือนกับอาหารเนี่ยต้องมีการผสมปรุงแต่งการจะทำอาหารจานหนึ่งขึ้นมาได้เราก็ต้องมอีส่วนประกอบต่างๆมีผักมีเนื้อมีน้ำมันมีน้ำมีมำมชูรสมีน้ำปามีอะไรต่างๆ เป็นการผสมปรุงแต่งออของส่วนประกอบทำให้เกิดอาหารขึ้นมาออแต่อาหารที่เราทำเสร็จนี้ถ้าเรารับประทานเข้าไปในร่างกายมันก็ไปแยกตัวออกออมันก็ไปกลายเป็นส่วนประกอบส่วนอื่นของร่างกายต่อไปออไปเสริมอาการสารเตต่างๆของร่างกาย ทำให้ผมของเรายาวขึ้นทำให้เล็บของเรายาวขึ้นทำให้อวัยวะต่างๆที่จะเสื่อมไม่เสื่อมเพราะว่ามีเหมือนกับมีอะไรชิ้นส่วนเข้ามาเสริมอยู่เรื่อยๆอันนี้เรียกว่าสังขารอะไรที่เป็นสังขา น, นี้แสดงว่ามัน ไม่ได้เป็นของแท้นั่งเดิมมันเป็นของที่เกิดจากการผสมปรุงแต่งส่วนธาตุที่มาผสมปรุงแต่งนี้เป็นของแท้นั่งเดิมธาตุดินนี้เป็นของแท้ของนั่งเดิมมีมาตลอดทุกยุคทุกสมัยธาตุน้ำก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัย ทุกดินธาตุดินก็มีทุกยุคทุกสมยัยธาตุลมธาตุไฟก็มีทุกยุคทุกสมยัยธ <itas S 1> าตเหล่านี้มันก็เป็นธาตุเหมือนเดิมน้ำในสมัยพุทธกาลกับน้ำในสมัยนี้ก็เป็นน้ำอันเดียวกันดินในสมัยพุทธกาลกับดินสมัยนี้ก็เป็นดินอันเดียวกันธาตุเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นธาตุแท้ธาตุดั้งเดิมที่ไม่มีวัน ไม่มีวันแตกไม่มีวันดับนะไม่มีวันหมดสิ้นไปจากโลกแต่มันชอบไปผสมรวมกันแล้วไปปรุงแต่งให้เป็นสิ่งต่างๆขึ้นมาเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราเห็นเช่นต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆคนหรือสัตว์เดรัจฉานนี่ก็ล้วนเป็น ผลที่เกิดจากการผสมปรุงแต่งของท่าทั้งสีน่นี้นั่นเองดั้นร่างกายของเรานี้ความจริงแล้วไม่มีตัวเราเราไม่มีตัวไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกาย <Yeah. S 1> สเพธรรมาณ ต, ตา <Yeah. S 1> ทำทั้งหลายไม่มีตัวตนด <Yeah. S 1> ินน้ำลมไฟก็ไม่มีตัวตน พอมารวมตัวกันให้เป็นร่างกายเป็นอาการสามสิบสองขึ้นมาก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันก็เป็นเพียงอาการสามสิบสองร่างกายของเราเนี่ยมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีหัวใจมีตับมีผังผืดมีปอดมีไส้น้อยมีไส้ใหญ่ มีอาหารใหม่อาหารเก่ามีสมองแล้วก็มีน้ำชนิดต่างๆน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันค้นน้ำเงือน้ำมูดน้ำคูดน้ำบูกน้ำลาย อันนี้เป็นสังขารที่เกิดจากการผสมปรุงแต่งของธาตุทั้งสี่คือธาตุดินาน้ำลมไฟเหมือนกับขนมต่างๆที่เรารับประทานมันก็เกิดจากการผสมปรุงแต่งของของน้ำตาลของแป้งของส่วนผสมต่างๆส่วนประกอบต่างๆนี่เรียกว่าสังขาร สังขารท่านบอกไม่เที่ยงสังขารมันมารวมตัวกันแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะต้องแยกตัวออกจากกันมันจะดับร่างกายมารวมตัวกันแล้วเดี๋ยวมันก็ดับมันก็จะแยกกลับคืนสู่ธาตุเดิมธาตุน้ำก็กลับไปสู่ธาตุน้ำธาตุนมก็กลับไปสู่ธาตุนมธาตุไฟก็กลับไปสู่ธาตุไฟธาตุดินก็กลับสู่ธาตุดิน ฉันสิ่งที่เราเห็นที่เราไปว่าเป็นตัวเป็นตนนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีตัวตนไม่มีเราในร่างกายเป็นเพียงมิจฉาทิฏฐิที่มีอยู่ในใจอยู่ในกายทิศอยู่ในผู้รู้ผู้คิดไปนึกคิดขึ้นมาเองเรานึกคิดกันขึ้นมาเองว่าร่างกายนี้เป็นเราร่างกายเป็นตัวเรา แต่ถ้าเราศึกษาจริงๆแล้วเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายก็เราลองแยกเอาอาการต่างๆของร่างกายออกมาสิเอามาแยากเหมือนชำแหละเอาผมออกมาก่อนแล้วดูที่ผมว่าผมนี่ตัวเราอยู่ที่ผมไหมมีตัวเราอยู่ในผมหรือเปล่าเอาขนออกมากองไว้ เอาเล็บออกมากองไว้เอาฟันออกมากองไว้แล้วดูไปในแต่ละอาการดูว่าเรามีตัวเราอยู่ตรงไหนบ้าง<ม>ก็ไม่มีมันเป็นเพียงความคิดเท่านั้นเองเหมือนคนสมัยก่อนที่คิดว่าโรคนี้แบนพอคิดว่าแบนก็เลยเชื่อกันใช่ไเชื่อว่าโรคนี้แบนก็เลยกลัวกันกลัวว่าถ้า เดินทางไปสุดขอบสุดขอบโลกมันก็จะตกออกจากโลกไปพอคิดว่าเป็นแบรนเหมือนโต๊ะอย่างเงี้ยโต๊ะนี่มันมีขอบใช่ไหมถ้าเอาของกิ่งออกนอกขอบไปมันมันก็ต้องตกลงไปที่อื่นต่อไปอันนี้ก็เป็นเพียงความคิดเฉยๆไม่ได้ตรงกับความจริง ความจริงโลกมันไม่แบนโลกมันกลมต่อให้เดินทางไปสุดขอบฟ้าสุดขอบมันก็จะไม่เจอขอบอยู่ดีเพราะยิ่งเดินไปขอบมันก็เหมือนหนีเราไปอยู่นั่นมันก็ยังอยู่ข้างหน้าเราอยู่เรื่อยๆเพราะมันโลกมันกลมนั่นเอง <Yeah. S 1> มันถึงเป็นอย่างนี้ชั้นใด เรื่องของอัตตาตัวตนที่เรามาคิดว่ามีอยู่ในร่างกายของเรานี้มันก็ไม่มีถ้าเรามาวิเคราะห์ด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาวิเคราะห์ดูว่าร่างกายของเรานี้เป็นเราที่ตรงไหนเราอยู่ที่ตรงไหนบ้างเวลาเราตัดผมไปนี่ตัวเราหายไปกับผมหรือเปล่า ส่วนหนึ่งของเราหายไปกับผมหรือเปล่าเดือเรามีเราอยู่ร้อยเอร์ซนตพอตัดผมออกไปสัก 2% เปอร์ซนตเราเหลือเก้าสิบปดเปอร์นหรือเปล่าเราก็ยังเหลือร้อยเปอร์ซนอยู่เราก็ยังรู้สึกนึกคิดเหมือนเดิมอยู่เหตะนั้นถ้าได้ยินได้ฟังทรรมได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้พิ จ, จารณาจะทำให้เราเริ่มเห็นความจริงว่า ใ น, ในตัวลาในตัวร่างกายนี้ไม่มีเราหรอกแล้วก็ไม่ได้เป็นเราด้วยเพราะตัวที่เป็นเราก็คือตัวรู้ตัวคิดนี้ที่เราจะเห็นได้ต่อเมื่อเรามาฝึกภาวนากันมาฝึกนั่งสมาธิกันพอเวลาเรานั่งสมาธินี้เราจะใช้สติถอนใจที่ส่งกระแสมาเกาะ ติดที่ร่างกายกระแสที่มากาะติด ก, กับร่างกายเหมือนกับแสงของไฟฟ้าแสงไฟของรถยนต์เนี่ยนะเวลาเราเปิดไฟรถยนต์นี้แสงมันจะพุงออกไปน ไ, ไปข้างหน้าเวลาเราปิดไฟปับ๊บแสงมัน ก, ก็กลับเข้ามาข้างใน ท, ทันทีกลับเข้ามาที่หลอดไฟ ใจของเราก็เหมือนกันใจเราส่งกระแสรับรู้ไปที่อาอยตนะของร่างกายร่างกายมีอายตนะอยู่ห้าส่วนด้วยกันที่เราเรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายนี่และการที่ใจอยากจะรู้เรื่องราวที่มาเข้ามาทางอายตนะใจก็ต้องส่ง กระแสไปรับรับสิ่งที่จะเข้ามาทางอายตนะต่างๆสิ่งที่จะเข้ามาทางอายตนะคืออะไรก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผดถะนี่รูปที่เห็นด้วยตาเนี่ยเสียงที่ได้ยินด้วยหูรสที่ลิ้มรส ด, ด้วยลิ้นกลิ่นด้วยจมูก และผพทะพะด้วยร่างกายคำว่าผพทะพะก็คือสัมผัสต่างๆเช่นหนาวเย็นแข็งนุ่มอย่างนี้เรียกว่าผดทะพะมันพอมาสัมผัสกับตาหูจมูกนิ้วกายใจก็จะรับรู้ขึ้นมาทันทีเพราะใจส่งกระแสรับรู้มารอรับรูปเสียงกลิ่นรสที่จะเข้ามา ทางตาหูจมูกขิ้นกายนั่นเองคือเรียกว่าวิญญาณทั้งห้าวิญญาณที่อยู่ในขันห้านี่เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวที่จะมาทำหน้าที่รับเอารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกขิ้นกายพอตาเห็นรูปปั๊บเนยรูปมันก็จะวิ่งมาที่วิญญาณทันที วิญญาณก็จะส่งมาที่ใจใจนี้เป็นเหมือนอศูนย์กลางของของการรับข้อมูลต่างๆเหมือนสมัยนี้เราคงเคยเห็นมีระบบการควบคุมการจราจรใช่ไหมก็จะมีศูนย์ควบคุมระบบการจราจรแล้วเขาจะมีกล้องไปติดไว้ตามถนนต่างๆตามแยกต่างๆ แล้วกล้องเหล่านี้ก็จะถ่ายภาพของสถานหนาภาพของถนนในเวลานั้นว่าถนนตอนนี้ถนนเส้นนี้รถนั่นไหมเสียยากตรงนี้รถติดไหมมีกล้องกล้องก็จะมีสายหรือมีเครื่องส่งสัญญาณส่งภาพเหล่านี้ไปที่ศูนย์กลางศูนย์กลางควบคุมการจราจร แล้วก็จะมีคนที่อยู่ที่ศูนย์จะได้รายงานให้กับผู้สื่อข่าวทางสถานีวิทยุเพื่อที่จะไดแ จ, ะจ้งให้ผู้ที่ขับรถบนท้องถนนให้ได้รู้ว่าส ถ, ถานการณ์บนท้องถนนตอนนี้เป็นอย่างไรถนนไหนติดมากติดเพราะมีอุบัติเหตุติดเพราะมีรถเสียทําให้กีดขวางการจราจรทําให้รถไม่สามารถวิ่งไปได้ ผู้ที่ขับขี่ยวดยานพอรู้ว่าถนนเส้นนี้มันมีปัญหาก็จะได้หลีกเลี่ยงเปลี่ยนไปใช้เส้นอื่นแทนได้ใจก็เป็นศูนย์กลางของการรับข้อมูลต่างๆที่เข้ามาทางวิญญาณรูปเสียงกลิ่นรสที่มาทางตาหูจมูกนิ้งกายมันก็จะ ถูกวิญญาณรับแล้วก็ส่งมาที่ศูนย์กลางศูนย์กลางก็จะมีผู้ที่จะมาคอยอามาวิจัยมาวิเคราะมรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาว่าเป็นรูปอะไรบ้างาเช่นพอเห็นภาพเห็นรูปของคนคนนี้บางทีเราอาจจะคอยเห็นเพราะเรามีความจำ คือสัญญาถ้าเรามีความจำพอ เ, เราเคยเห็นคนนี้พอเห็นอีกครั้งหนึ่งเราก็จะจำเราก็จะรู้ว่าเป็นใครแต่ถ้าเขาไม่เคยอยู่ในระบบของความจำของเราเราก็จะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครในเมื่อเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยการ ถามเขาก็ได้ว่าคุณเป็นใครมีชื่ออะไรมาจากไหนอันนี้เป็นการทำงานของสัญญากับสังขารในขันห้าเนี่ยเรามีร่างกายคือรูปขันที่หนึ่งแล้วก็มีวิญญาณขันที่สองวิญญาณนี้เป็นขันของของใจเป็นส่วนของใจที่จะไปรับเอารูปเสียงกลิ่นรสปุพะะ ส่งเข้ามาที่ศูนย์กลางของใจเพื่อให้ใจได้วิเคราะห์ว่าเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรเป็นกลิ่นอะไรดีไม่ดีอย่างไร อ, อันนี้เป็นหน้าที่ของสัญญาและสังขารเวลาอะไรเข้ามานี้บางทีไม่ต้องมี ไ ม, ไม่ต้องเคยเห็นมาก่อนที่ทำไปจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีเพราะมันจะทําให้เกิดเวทนาขึ้นมาในใจเกิดความรู้สึกขึ้นมาบางอย่างเข้ามาแล้วทําก็ทําให้เกิดสุข เ, ขเวทนาขึ้นมาบางอย่างเข้ามาแล้วก็ทําให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเช่นเสียงนี่ถ้าเสียงเบาเสียงนุ่มนี้ ฟังแล้วก็เกิดสุขเวทนาะขึ้นมาถ้าเป็นเสียงหยาบ เ, ยเสียงด่าเสียงหยาบคายฟังแล้วก็เกิดทุกขเวทนาะขึ้นมาหรือเสียงดังเสียงค่อยก <ấn> ็เหมือนกันถ้าเสียงดังมากๆมันก็ทําให้เกิดทุกขเวทนาะขึ้นมาได้พอรู้ว่าอะไรเป็นทุกขเวทนาะใจก็จะพยายามด็้กเลี่ยงเพราะใจถูกสอนไม่ให้ชอบ ทุกขเวทนาให้ชอบสุขเวทนาก็าเลยมีการมีการปฏิกริยาต่างๆต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามาทางอยายตนะทั้งห้าเกิดจะมีปฏิกริยากับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะใบตามเวทนาที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นสุขเวทนาก็จะมีปฏิกิริยาแบบหนึ่งคือมีความยินดีมีความต้องการอยากได้ขึ้นมาถ้าเป็นทุกขเวทนาก็จะเกิดความรังเกียจขึ้นมาเกิดความอยากจะปฏิเสธอยากจ ะ, ะไม่เกี่ยวข้องด้วยไม่อยากจะเข้าใกล้ด้วยนี่คือ เรื่องของใจ ค, คือกายทิพย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามาผ่านทางตาหูจมูกเว้นกา ย, ยการทำงานของขันธ์สี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นีเน้เราจะเห็นได้ต่อเมื่อเราเปิดตาทิพย์ขึ้นมา วิธีที่จะเปิดตาทิพย์ก็คือเราต้องถอ น, นเราต้องถอนวิญญาณออกจากตาหูจมูกนิ้นกายด้วยการเจริญสติคือการเจริญกรรมฐานชนิดใดชนิดหนึ่งพุทธานุตนานสติก็ได้อานาปนสติก็ได้ถ้าเรามีการเจริญกรรมฐาน เราก็จะเจริญสติสติก็จะค่อยๆดึงค่อยๆถอดปลักถอดวิญญาณที่ไปเกาะที่ตาหูจมูกนิ้งกายให้กลับเข้าไปในใจถ้าสติมีกำลังมากสามารถถอดถอดวิญญาณทั้งห้าออกจากตาหูจมูกนิ้งกายได้จิตก็จะรวมเป็นหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ ทำหน้าที่ต่างๆก็จะหยุดทำงานชั่วคราวแล้วจิตก็จะนิ่งสงบแล้วก็จะเหลือแต่ผู้รู้รู้สักแต่ว่ารู้อตอนนั้นการรับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะยุติไปก็เลยทำให้รู้สึกว่าตอนนั้นไม่มีร่างกายร่างกายหายไปจากการรับรู้ของสัญญาของของวิญญาณ เพราะวิญญาณถูกสติดึงให้ออกจากตาหูจมูกิือกายไป <Yes. S 1> ตอนนั้นเราเรียกว่าจิตเป็นสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งร <Yes. S 1> วมยึดเข้ามาที่ผู้รู้ <Yes. S 1> ถ้าเป็นแสงไฟพอเราปิดสวิชมันก็เหมือนกับมันวิ่งกลับเข้ามาที่หลอดไฟ <Yes. S 1> มันมนรวมกันที่หลอดไฟ <Yes. S 1> ตอนนั้นสิ่งที่อยู่ข้างนอกก็จะมองไม่เห็นพอเราปิดไฟปั๊บ <Yes. S 1> แสงสว่างที่ ไปฉายให้เห็นสิ่งต่างๆมันก็หายไปนี่คือวิธีที่เราจะเปิดตาในหรือเปิดธาตุทิพย์ของเราขึ้นมาเพื่อเราจะได้เห็นกายทิพย์ของเรา เ, เราจะได้เห็นผู้รู้แล้วก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่อยู่ในผู้รู้นี่ตอนที่มันสงบเราจะไม่เห็นมันแต่พอจิต ออกจากความสงบทีนี้เราก็จะเห็นนามาขันทั้งสี่เริ่มทำงานเห็นวิญญาณรับรูปเสียงกลิ่นรดเข้ามาเห็นสัญญาจำได้ไหมรู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรดนั้นเป็นอะไรอย่างไรแล้วก็จะเห็นเวทนาขึ้นมาทันทีเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะเห็นสังขารทาการสัง่งการสังขานี้เป็นผู้สั่งการให้ปฏิบัติต่อ สิ่งต่างต่างต่อไปถ้าชอบก็สั่งการให้ไปจัดหามาถ้าไม่ชอบก็ให้เดินหนีไปอ <Yeah. S 1> แต่แม้เวลาเราไปเดินชอปปิ้งนี่ถ้าเราเห็นไหนเราชอบเราจะหยุดเราจะดูแล้วดูอีกจับแล้วจับอีกพลิกไปพลิกมาอลองไปลองมาเี่ <Yeah. S 1> สังขารกําลังทําหน้าที่เลือกเฟ้นสิ่งที่เราชอบอ ถ้าเราไม่ชอบเราก็เดินหนีไปเลยเห็นปั๊บโอยไม่ชอบสิ่งนี้ก็เดินไปเลยสังขารสั่งไม่ใช่ร่างกายสั่งตัวมันเองร่างกายไม่มีคาสั่งในตัวร่างกายไม่มีสังขารสังขารนี่มีสองอย่างร่างกายนี้เราเรียกว่าสังขารแต่เป็นสังขารที่เกิดจากการผสมปรุงแต่งของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่สังขารในใจนี้เป็นสังขารที่เป็นความคิดปรุงแต่ง เป็นความคิดปรุงแต่งที่เราเรียกว่าพิจารณาวิเคราะห์ค่อควรนี่เรียกว่าสังขารค่อควรว่าควรจะทําอะไรอย่างไรดีกับเหตุการณ์ตอนนี้เช่นถ้าตอนนี้ฝนตกออก็ต้องเร่งเก็บข้าวเก็บของถ้าฝนหยุดก็เอาข้าวเอาของออกมาตั้งใหมออ่อันนี้เป็นหน้าที่ของสังขารของความคิดปรุงแต่ง ถ้าเราไม่รู้เรื่องกายทิพย์ของเราเราก็จะไปรู้เรื่องเพียงเรื่องเดียวคือร่างกายแล้วเราก็จะพยายามที่จะคอยดูแลรักษาร่างกายของเราให้ดีที่สุดเพราะว่าเราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาสุขเวทนาให้กับเรา พาเราไปดูรูปเสียงไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะที่ทำให้เกิดสุขเวทนาขึ้นมาแล้วพาให้ร่างกายหนีเวลาไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสผทพะที่ทำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นไปตามคำสั่งของสังขารเสมอไปบางที อยากจะได้รูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นเวทนาก็อาจจะไม่ได้ก็ได้บางทีอยากจะหนีรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่เป็นทุกขเวทนาก็หนีไม่ได้ก็มีเช่นคนไปติดคุกนี่ก็ไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่เป็นทุกขเวทนาแต่จะหนีมันก็หนีไม่ได้เพราะถูกกักขังอไว้ บางทีเห็นรูปเสียงกิจรสพลภัที่สุขที่เป็นสุขเวทนาก็ไปเอามาไม่ได้เพราะไม่มีกำลังซื้อเช่นเราไปช้อปปิ้งไปดูของไปดูร้านเพชรมีเพชรสวยๆงามๆ ม, มีตุ้มหูมีแหวนมีอะไรเห็นแล้วก็น้ำลายไหลอยากจะได้ขึ้นมาแต่พอเปิดกระเป๋าดูพอดูเงินในกระเป๋าเราบอกมันไม่พอซื้อมันก็ซื้อไม่ได้ ทีนี้มันจะมีผลตามมาอีกอย่างที่เราไม่รู้กันก็คือนอกจากเวทนาที่เห็นของสวยๆงามงามแล้วแต่ไม่ได้ของสวยๆงามงามตามที่เราอยากได้อะไรเกิดขึ้นมาความทุกข์ใจความเสียใจเกิดขึ้นมาอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต่างจากสุขเวทนากับทุกขเวทนา สุขเวทนาทุกเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเกิดจากเวลาที่เราได้สัมผัสตาหูจมูกนิ้วไก่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสพอสัมผัสกับของสวยงดงามที่เราชอบก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาพอสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาบที่เราไม่ชอบก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาอันนี้เป็นเพียงเวทนา แต่ยังไม่ได้เป็นสุขเป็นทุกข์ของใจสุขทุกข์ของใจนี้เกิดอีกตอนหนึ่งตอนที่เกิดสังขารความคิดปรุงแต่งขึ้นมาพอเจอสุขเวทนาสังขารความคิดปรุงแต่งก็ปรุงแต่งว่าอยากจะได้ขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ขึ้นมาก็เกิดความเสียใจเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาหรือเวลาไปเจอ รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะทภะที่เป็นทุกขเวทนาแล้วสังขารความคิดบุงแต่งก็สอนว่าบุงแต่งว่าให้หนีอย่าอยู่นี่มันหนีไม่ได้เช่นไปถูกเขาจับขังคุกขังตารางเขามีลูกกงมีอะไรกั้นไว้จะออกไปก็ไปไม่ได้ตอนนั้นก็เกิดอะไรขึ้นมาเกิดทุกขใจขึ้นมาทุกขใจนี้ไม่ใช่ทุกขเวทนา มีทุกขเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วแล้วก็กลับมามีทุกขใจอันที่เกิดจากสังขารความคิดปรุงแต่งคิดไปในทางความอยากนี่พอถ้าเกิดมีสังขารความคิดปรุงแต่งไปในทางความอยากอยากได้หรืออยากไม่ได้ก็ตามพอไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่ก็เป็นเรื่องของจิตใจที่เราจะ เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วเราก็จะได้มาแก้ปัญหาของจิตใจได้สิ่งที่เราแก้ไม่ได้ก็คือเวทนาเวทนาที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่มันเป็นไปตามเรื่องของมันรูปก็มีทั้ง สุ ข, ขเวทนามีทั้งทุกขเวทนามีทั้งไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเสียงก็เหมือนกันรูปกลิ่นเสียงกลิ่นรสโธพธภะก็เหมือนกันแต่สิ่งที่เราจะทำให้ไม่เกิดขึ้นมาได้ในใจของเราก็คือความทุกข์ใจความเสียใจถ้าเราเข้าถึงตัวสังขารได้<ม>เข้าถึงตัว ตัวตัวอริยสัจได้ตัวอริยสัจคือเราจะเห็นสัจจะทำความจริงว่าความทุกข์ใจของเราเนี่ยมันเกิดจากความอยากของเราคือความอยากของใจใพออยากแล้วพออยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เึิ่ความทุกข์ใจนี้พอเรารู้จากการปฏิบัติของเราจากการเปิดตาในของเราทํามไล่เราเห็นการทำงานของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็จะเห็นตัวที่เป็นปัญหาขึ้นมาตัวที่เป็นปัญหาตัวที่สร้างความทุกข์ใจให้กับเรานี้คือสังขารความคิดปรุงแต่ง ที่คิดไปในทางความอยากโดยเฉพาะไปอยากในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะทำได้หรือมีได้นั่นเองเช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยวอยากไม่ตายอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราไปห้ามมันไม่ได้เพราะร่างกายนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศนี่เรายอมรับว่าเป็นส่วนของธรรมชาติที่เราไปยุ่งด้วยไม่ได้เราจะไปสั่งให้ฝนตกไม่ได้เราไปสั่งให้แดดออกไม่ได้ร่างกายของเราก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศนี่แหละแต่โมหะาอาวิชชาความหลงความไม่รู้ของเรา ทำให้เราไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้สั่งได้เพราะเราสั่งให้มันทำอะไรได้หลายอย่างนั่นเองเราสั่งให้มันเดินให้มันยืนให้มันวิ่งให้มันทำอะไรต่างๆให้กับเราได้แต่เราไม่รู้ว่ามันมีบางอย่างที่เราสั่งไม่ได้สิ่งที่เราสั่งร่างกายไม่ได้ก็คือนี่สั่งเขาไม่ให้มันไม่แก่ไม่ได้ร่างกายของพวกเราทุกคนนี้ มันกำลังเดินทางไปหาความแก่กันคือตอนต้นก็เป็นเด็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เป็นนุงเป็นสาวแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเป็นคนแก่ห้ามางานก็ห้ามไม่ได้ทำสัญญกรรมกี่ครั้งกี่รอบก็ห้ามไม่ได้ไปยืดไปไปดึงไปตึงให้มันตึงให้ไม่ให้มันหย่อนนี่มันก็ทำได้ชั่วไม่กี่ปีเดี๋ยวมันก็เริ่มหย่อนอยู่อยู่ดี ในที่สุดก็ยอมรับความจริงแต่กว่าจะยอมรับความจริงได้นิ่เหนื่อยทุกข์กับมันหลายปีด้วยกันแต่ถ้าเราได้มาฟังเทศฟังธรรมจากผู้มีสัมมาทิฏฐิคือผู้ที่มีเห็นความจริงเห็นว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปฝืนมันดีกว่าเตรียมตัวรับมันดีกว่า มาหัด ส, สอนใจให้มายอมรับความแก่ความเจ็บความตายดีกว่าสอนใจด้วยการคอยหยุดสังขารความคิดปรุงแต่งทุกครั้งที่มันคิดปรุงแต่งไปในทางความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราก็ต้องเอาปัญญาเอาสัมมาทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะทำอย่างไรกับมันก็ห้ามมันไม่ได้ อาจจะมีการผัดวันประกันพุ่งได้เลื่อนความแก่ไปหน่อยได้เลื่อนความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ด้วยการารับประทานยาป้องกันด้วยการออกกำลังกายด้วยการดูแลอะไรให้ดีร่างกายก็อาจจะไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ไม่ว่าจะดูแลกันอย่างไรให้ดีขนาดไหนก็ตามในที่สุดมันก็หนีความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ เพราะพระพุทธเจ้าผู้มีสัมมาทิฏฐิก็ทรงรู้ว่าความทุกข์ของความทุกข์ใจของพวกเราเ่นีเกิดจากความคิดปรุงแต่งไปในทางความอยากต่างๆนี่เองอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากอยู่ไปนานๆอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวไปนานๆอยากสวยไม่สางอยากบานไม่รู้โรย เวลาใครให้พรว่าสวยไม่สั่งบาลไม่รู้โรนี้สาทุกสาทุกกันสแสดงว่ายังมองไม่เห็นความจริงยังไม่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ว่าจะเป็นของใครไม่ว่าใครจะให้พอรอย่างไรก็ตามมันก็เปลี่ยนความเป็นจริงของมันไม่ได้ความเป็นจริงของมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเรา ได้ภาวนาแล้วสามารถเข้าถึงตัวสังขารได้เราก็มาเปลี่ยนสังขารเสียเปียนให้มันอยากไปคิดไปในทางความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายด้วยการเอาสัมมาทิฏฐิความเห็นความเห็นที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้ามาคอยสอนใจว่าเฮ้ยต้องแก่นะเว้ยต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายนะมาเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความแก่ความเจ็บความตายดีกว่า ลราใจจะไม่ทุกข์มาหยุดสังขารด้วยการใช้สติเวลามันจะคิดก็หยุดมันด้วยสติด้วยปัญญาปัญญาก็บอกว่าอย่าไปคิดไปในทางความอยากพอคิดไปในทางความอยากแล้วเป็นสมุทไทยเปนต้นเหตุของความทุกข์ใจไม่สบายใจถ้าไม่คิดไปในทางความอยากคิดเฉยๆคิดไปทางความเป็นจริงเออมันจะต้องแก่ให้มันแก่ไป เออมันจะต้องเจ็บก็ให้มันเจ็บไปเออมันจะต้องตายก็ให้มันตายไปยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายพอยอมได้มันก็จะหยุดฝืนความจริงได้แล้วพอแก่มันก็เฉยเฉยไม่เดือดร้อนพอเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เฉยเฉยไม่เดือดร้อนพอตายมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ เหมือนดินฟ้ า, ากาวันนี้เราจะมีการถ่ายทอดสดต้องห้ามไม่ให้ฝนมันตกก็ห้ามไม่ได้เราก็รู้ว่าห้ามไม่ได้เราก็เลยไม่ทบกกับมันเราก็เตรียมรับมาตรการนะเราก็เตรียมร่มเตรียมอะไรมาไว้ถ้าฝนตกเราก็กางร่มเสียเข้าที่ร่มเสียก็หมดเรื่องอันนี้ก็เหมือนกันนะ เราต้องมองเห็นความจริงของร่างกายของเราว่ามันจะต้องเข้าสู่ความแก่ความเจบ็บความตายถ้าเราไม่ต้องการที่จะทุกข์กับมันเราก็ต้องยอมรับความจริงของมันถ้าเรายอมรับความจริงแล้วความคิดปรุงแต่งที่จะคิดไปในทางไม่อยากแก่ไม่อยากเจบ็บไม่อยากตายมันก็จะไม่เกิดเมื่อไม่เกิดทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นมา เวลาแก่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นไหมครูบาอาจารย์นี่ท่านแก่ <c oughs> แต่ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ไม่โอดร้องควรคางไม่โวยวาย ไ, ไม่หงุดหงิดท่านก็เฉย <c oughs> <c oughs> เวลาตายท่านก็ดูลมของท่านไปดูลมจนกว่ามันจะหยุดหายใจ อ, อ, อันนี้แหละคือ ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเราจะได้เรียนเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องว่าชีวิตของพวกเรานี้ไม่ได้มีเพียงร่างกายและชีวิตของพวกเรานี้ไม่ได้สิ้นสุดลงที่ความตายของร่างกายชีวิตของเรานี้ยังไม่สิ้นสุดยังไปต่อยังไปได้หลายทางอยู่ ไปทางต่ําก็ได้ไปทางสูงก็ได้หรือไปทางที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดก็ได้มีสามทางไปถ้าทําบาปมันก็จะดึงจิตใจของเราให้ไปทางต่ําให้ไปอยู่ในอบายถ้าทําบุญมันก็จะดึงให้เราไปทางสูงให้ไปอยู่ในสวรรค์ไปเป็นเทพแล้วถ้าเรามี ปัญญามีวิปัสสนาเห็นอริยสัจสีแล้วเรามาหยุดความอยากทั้งหลายที่มีอยในใจของเราให้มันหมดไปได้เราก็จะไปนิพพานกันเราก็จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไป <S S S เพราะสิ่งที่จะดึงให้เราดึงดวงวิญญาณของแต่ละท่านให้กลับมาเกิดก็คือความอยากนี่ถ้ายังมีความอยาก มีความสุขผ่านทางร่างกายอย่างๆดูรูปฟังเสียงลิมรส ด, ดมกลิ่นอยู่ก็จำเป็นที่จะต้องมามีร่างกายอันใหม่พอมีร่างกายอันใหม่ก็จะต้องมามาแก่มาเจ็บมาตายกับร่างกายอันใหม่ต่อไปนี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องจะทำให้เรานี้ การวิธีดําเนินชีวิตของเราแทนที่จะพุ่งเป้าไปที่ร่างกายเราจะเปลี่ยนไปพุ่งไปที่จิตใจเพราะจิตใจนี้เป็นผู้ที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปผลการกระทาต่างๆของเราต่อไปอสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ผ่านทางร่างกายมันเป็นของชั่วคราว พอร่างกายตายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้นี้เราเอาติดตัวไปไม่ได้เลยลาบยศสละเสริญสุขต่างๆที่เราหากันได้ที่เรามีกันอยู่ในตอนนี้พอร่างกายสิ้นสุดลงสิ่งเหล่านี้มันก็สิ้นสุดลงไปกับร่างกายใจก็เอาไปไม่ได้สิ่งที่ใจเอาไปได้ก็บุญและบาปหรือสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเนี่ย ถ้ามีมิจฉาทิฏฐิก็จะพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้ามีสัมมาทิฏฐิก็จะพาเราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่พระนิพพานนนี่คือเป้าหมายของการฟังเทศฟังธรรมฟังเพื่อให้ได้ความรู้ให้รู้จักให้รู้จักตัวของเราว่าเรามีอะไรบ้างนอกจากมีร่างกายอาการสารสิบสองแล้ว เรายังมีจิตใจมีนามขันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราจะต้องรู้จักมาศึกษาวิธีที่จะทำให้มันไม่มาผลิตความทุกข์ให้กับใจของเราน<ม>ละจะทำให้มันไม่มาดึงให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆ<ม>นี่คือเป้าหมายของการฟังเทศฟังธรรมฟังเพื่อให้เกิด สัมมาทิฏฐิและในขณะที่ฟังจิตก็จะสงบเพราะจิตจะไม่ได้คิดปรุงแต่งไปในทางความอยากต่างๆจิตก็จะนิ่งสงบมีความสุขไปในขณะที่ฟังธรรมด้วยการฟังธรรมนี้ฟังได้ทุกแห่งทุกคนที่ไหนที่มีแสดงธรรมเช่น ต, ตอนนี้ท่านทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านท่านก็ฟังธรรมที่บ้านได้อยู่ที่ไหนก็ฟังได้ ไม่จำเป็นจะต้องมาที่นี่ที่เดียวผลอาจจะแตกต่างกันบ้างอยู่ที่สิ่งแวดล้อมของที่เราฟังกันถ้าสถานที่แวดล้อมมันสงบมันก็อาจจะฟังได้ลดได้ชาติกว่าเพราะฟังได้อย่างต่อเนื่องถ้าไปอยู่ที่ไม่สงบก็อาจจะมีอะไรมาคอยรบกวนใจดึงใจให้ออกจากการฟังธรรมไปชั่วครัง้งชั่วคราว ก็จะทําให้การฟังธรรมไม่ต่อเนื่องก็อาจจะทําให้ไม่เกิดความเข้าใจอย่างต่อเนื่องได้ก็ต่างกันแค่ตรงนี้แต่ถ้าเรามาไม่ได้เราก็ต้องเอาตามตามมีตามเกิดไปก่อนสันโดษยินดีตามมีตามเกิดไปตอนนี้ยังมาที่วัดมาฟังธรรมไม่ได้ก็ฟังที่บ้านกันไปก่อน เราก็จะได้มีธรรมะมีสัมมาทิฏฐิมาคอยหล่อเลี้ยงจิตใจของเราเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไปสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจนั่นเอง <Yeah. S 1> นี่ก็คือเรื่องของการแสดงธรรมในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังปกะปติอ an ิชิตังปะทิตังตุนหังคิปเมวาสนิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะราโสยทามะนิชตดราโสยทาสัพพิติยวิวัชจันโตสัพพารุโควินาสตุมาเตภวาโตอันตารายุสุขีทีขายุโกภวาอภิวาธนาสิลิจานิจจังุทาปะจายโน ตาโรโหธรร ม, มาวาทานติอายุวโนสุขังาาภาลัวันนี้ผู้ติดตามทําบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง facebook 3มร้อยเก้าสิบห้าทิวิทยุออนไลน์7 Zo ดซูม ผู้รับฟังที่กุติสิบสามรวมทั้งสิ้นเจ็ด้อยแปดสิบเจ็ดท่านค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยค่ะคำถามจากคุณเมจิค่ะมีสองคถามค่ะข้อที่หนึ่งลูกไม่มีความสุขที่จะไปทำงานประจำมีเงินเดือนแต่กลับมีความสุขที่อยู่เงียบๆภาวนาแต่เงินไม่พอใช้มีความสุขกับการไปทำบุญถวายงานรับใช้พ่อแม่ครูอาจารย์คำถามคือ ความรู้สึกแบบนี้ลูกเป็นอะไรคะก็เป็นเพราะเราชอบความสุขแบบที่เกิดจากความสงบนั่นเองเหมือนคนชอบกินพิซซ่ากับคนชอบกินกว๋วยเตีย๋ยวมันก็คนละอย่างกันฉะนั้นเราก็ต้องลดค่าใช้จ่ายเนาะถ้าเราชอบความสงบจริงๆเราอยู่กับความสงบได้ค่าใช้จ่ายมันก็จะน้อยไม่ต้องใช้เงินมาก อย่างสมัยที่เราอยู่กับความสงบอยู่คนเดีย ว, วเราใช้วันละห้าบาทสำหรับค่าอาหารนั่นะสมัยนั้นก๋วยเตี๋ยวชามละสองบาทข้าวข้าวผัดข้าวหน้าข้าวหมูแดงข้าวนี่จานละสามบาทเนี่ยกินสองชามก็อยู่นะอย่างนั้นก็กินน้ําเปล่าน้ําเปล่าก็ฟรีอย่างนั้นถ้าถ้าเรารักความสงบแล้วค่าใช้ใจ่ายก็มีแค่นี้ค่าอาหาร ก็ถ้ามีบ้านอยู่แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากค่าน้ำไฟก็ใช้ไม่มากไฟก็ไม่ได้เปิดอะไรมากงั้นถ้าเราชอบความสงบจริงๆอยู่คนเดียวได้จริงๆเราไม่ต้องทํางานก็ได้หรือทํางานไม่ต้องมากก็ได้ทําพอมีเงินมาเลี้ยงชีพ แต่ถ้าเรายังต้องเอาไปใช้ให้คนนั้นคนนี้อยู่ใช้อะไรต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับเราอยู่มันก็มันก็จะมีปัญหาได้เราก็ต้องคิดให้รอบคอบว่าเราเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการความสงบนี้เราก็ต้องตัดเรื่องอะไรต่างๆเรื่องเงินทองต่างๆให้มันน้อยลงภาร ะ, ะที่เรามีเกี่ยวข้องกับคนอื่นถ้าตัดได้ก็ต้องตัด จะได้ไม่ต้องมีภาระในการที่จะต้องหาเงินมาใช้ใจ่ายเราจะได้มีเวลาได้อยู่คนเดียวได้ภาวนาได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ได้ข้อที่สองค่ะตอนนี้ลูกมีความทุกข์คือลูกไม่ได้ดูแลแม่ไม่ได้ทำหน้าที่ลูกที่สมบูรณ์แต่แม่ก็ไม่เดือดร้อนคำถามคือลูกควรจะไปทางไหนดีคะขอเมตตาหลวงพ่อชี้แนะค่ะเดี๋ยวลอง้ององไหว้อีกทีนึง มีตอนนี้ลูกมีความทุกข์คือไม่ได้ดูแลแม่ไม่ได้ทําหน้าที่ลูกที่สมบูรณ์แต่แม่ก็ไม่เดือดร้อนค่ะดังนั้นคือควรจะไปทางไหนดีคะอ๋อถ้ายังไม่เดือดร้อนก็ยังไม่ต้องดูแลท่านท่านดูแลตัวท่านเองได้ก็ก็ปล่อยท่านดูแลตัวท่านไปจนกว่าท่านดูแลไม่ได้การดูแลนี่ก็หมายถึงการดูแลท่านในยามที่ท่านดูแลตัวเองไม่ได้ เมื่อตอนที้ท่านดูแลตัวท่านได้เราก็ทำอะไรของเราไปทำหน้าที่ของเราไปเราอยากจะไปปฏิบัติธรรมเราก็ไปแต่เราก็ไม่ทอดทิ้งกันเราก็คอยติดตามคอยดูพร้อมเสมอที่จะเข้ามาดูแลท่านเมื่อท่านต้องการคำถามจากผู้ฝากถามค่ะในขณะ น, นี้ลูกเจอความทุกข์อย่างมากเนื่องจากการกระทำของคนในครอบครัวจนอยากจะแยกตัวออกมา ตัวลูกโดนผลกระทบอย่างหนักตอนนี้จิตใจว้าวุ่นขุนมัวคิดวนไปเวียนมาตอนนี้ลูกอยากหาทางออกที่สมดุลที่สุดให้ตัวเองตอนนี้ทุกข์มากเจ้าค่ะขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะทางสว่างให้ลูกด้วยค่ะถ้าเกี่ยวข้องกับผู้อื่นก็ต้องมีการปรึกษากันมีการเจราจากันเพื่อหาข้อสรุปวิธีแก้ปัญหาว่าอย่างไรนจะดีที่สุด นั้นมันพูดบอกไม่ได้ว่าให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นะเรามีปัญหากับใครเราก็ต้องไปเคลียร์กับเขาให้ได้ <Yeah. S 1> หรือถ้าเคลียร์ไม่ได้ถ้าเราอยากจะหนีไปแล้วก็ไปเลยไปไม่กลับก็ไปเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหรือไม่เพราะเขาอาจจะตามไปก็ได้ <Yeah. S 1> ฉังนั้นมันต้อง คุยกันเจราจากันกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เขามีความเห็นที่เขารับได้มีข้อข้อตกลงที่เขารับได้แล้ว่าปล่อยให้เราอยู่ตามสภาพของเราไปถ้ายังทําไม่ได้ก็คิดว่าเหมือนติดคุกติดตารางก็แล้วกันเป็นวิบากกรรมของเราที่เราได้ทําบาปมาในอดีตตอนนี้เราต้องมารับใช้ผลบาป มันติดทุกข์ติดตารางอยู่ก็อดทนอยู่กับมันไปถ้าเราไม่มีความอยากจะหนีจากสภาพที่เราเป็นอยู่เราจะไม่ทุกข์ถ้าเราทำใจได้อะตอนนี้ยังต้องอยู่กับแบบนี้อยู่ต้องก็ทนอยู่ไปเราก็พยายามใช้วิกิตนี้มาสร้างโอกาสสร้างธรรมะมาหัจเจริญสติพุทโธพุทโธคอยทำใจให้สงบให้นิ่ง แล้วก็อยู่กับเหตุการณ์ที่เราไม่ปรารถนาได้ท่านบอกว่าทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดอมานบ่มีอะไรไม่เกิดนะบารามีบ่เกิดงั้น้เราถือว่าตอนนี้เรากาลังมีมานมีทุกก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างบารามีสร้างความอดทนขันติบารามีแล้วก็สร้างปัญญาบารามี ที่จะเป็นตัวที่จะนำพาจิตใจของเราสู่ชัยชนะต่อไปหูชัยชนะจะจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงต่อไปคำถามต่อไปจากคุณเบญจวรรณค่ะเวลามีปัญหาชีวิตหรือต้องสูญเสียบุคคลจากชีวิตไปหนูจะเศร้ามากและหาวิธีทางออกโดยการฆ่าตัวเองตายทุกครั้ง หนูพยายามบอกจิตอย่างที่พระอาจารย์สอนว่าตายไปก็ไม่หายทุกข์ชาติหน้าเกิดมาก็ต้องทุกข์แต่มันก็หยุดความคิดไม่ได้เลยเจ้าค่ะมันเลยทําให้หนูท้อที่จะบัดจะปฏิบัติต่อไปหนูควรทําอย่างไรดีเจ้าคะก็ลองเปรียบเทียบเรากับหมาดูหมามันทุกขอย่างไรมันก็ยังไม่ฆ่าตัวตาย <c oughs> เราที่ที่ว่าฉลาดกว่าหมาแต่ไม่ฆ่าตัวตายก็แสดงว่าเราโง่กว่าหมา ก็าถามตัวเราเองเราอยากจะโง่กว่าหมาหรืออยากจะฉลาดกว่าหมาหมามันมันทุกอย่างไงไม่เห็นมันค่าตัวตายมีข่าวหมาข้าตัวตายไหมไม่มีหลยมีแต่คนข้าตัวตายคนที่ข่าตัวตายก็แสดงว่าโง่กว่าหมาแล้วถ้าเราไม่อยากจะงโง่กว่าหมาเราก็อยากฆ่าตัวตายค่าคำถามต่อไปจากทางยู e ูบคุณพิทักค่ะ กราบขอโอกาสครับพระอาจารย์วันหนึ่งในขณะที่กําลังนั่งภาวนาเกิดเวทนาปวดขาขึ้นมาจิตที่กําลังสงบอยู่นั้นกลายเป็นความกังวลอยู่กับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอยากที่จะให้อาการปวดขานั้นหายไปขอพระอาจารย์ช่วยแนะนําด้วยครับอาการปวดขานี้มันไม่ได้เป็นปัญหาเนอะตัวเป็นปัญหาก็คือความอยากให้อาการปวดหายไปที่สร้างความทุกข์ทรมารยใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง ดังพอเกิดอาการป่วยขาขึ้นมาต้องยาอย า, อยาไปอยากให้มันหายถ้ามันอยากหายก็ต้องใช้สติคำบริกรรมรัวเข้าไปเลยบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อให้มันมีงานทำพอมันพุทโธพุทโธอยู่มันก็จะไปอยากให้ความเจ็บหายไม่ได้พอมันไ ม, ม่ความอยากให้ความเจ็บหายความทุกข์ทรมานก็ไม่มีไม่เกิดขึ้นมาใจก็ อยู่กับความเจ็บของร่างกายได้งั้นเวลาเกิดความเจ็บของร่างกายอย่านั่งเฉยๆนั่งดูลมนี่อาจจะไม่พอสติไม่พอต้องสวดมนต์ไปก็ได้อิติปิโสปะกวารหังสั ม, มาสมพุโทโธวิ ช, ชากรณนะสมปันโนสวดไปเรื่อยๆสวดไปหลายๆรอบอย่าไปคิดถึงความเจ็บเดี๋ยวความทุกข์ทรมานที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปมันก็จะอยู่กับความเจ็บได้ เหมนกับเวลาเราจะไปฉีดยาเนี่ยหมอยังไม่ทันบอกว่าจะฉีเพียงแต่บอกว่าจะฉีดเท่านะั้นความทุกข์ทรมานใจเกิดขึ้นแล้ะเพราะความอยากไม่เจ็บแต่พอหมอฉีดจริงๆมันเจ็บนะมันก็เหมือนกับมดกัดนั่นเองอันนี้ก็เหมือนกับความเจ็บทางร่างกายมันเหมือนกับถูกมดกัดแต่ที่มันทรมานที่มันทุกแสนสาหานันนี้มันอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ใจไปปรุงแต่ง อยากให้ความเจ็บหายไปฉะนั้นต้องอยู่ตัวนี้ให้ได้ด้วยการใช้สติบริกรรมพุโทโธนึกสวดมนต์ไปแล้วสักพักหนึ่งแล้วความรู้สึกท ร, ร ม, มานใจจะหายไปเราจะรู้สึกว่าความเจ็บของร่างกายมันก็แค่นี้เองมันไม่ไหนหนยุนแรงอะไรเหมือนกับเวลาหมอบอกจะฉีดยาโอ้มันทุกขขึ้นมาแล้วแต่พอฉีดเข้าไปจริงๆเอมันก็นิดเดียว คำถามต่อไปค่ะการที่เราทำประกันชีวิตไว้เนื่องจากเห็นว่าการทำประกันชีวิตมีประโยชน์เพราะเมื่อเราตายครอบครัวเราจะได้รับเงินก้อนหนึ่งซึ่งสำหรับเลี้ยงชีพได้เช่นนี้ถือว่าเราได้บุญหรือไม่เจ้าคะได้นะเพราะว่าเราทำตั้งแต่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่คือเราเสียเงินจ่ายค่าประกันทุกครั้งที่เราจ่ายเงินนี่เราได้บุญแล้ว เพราะเงินท <Humans. S 1> so ี share, like, like another, like ่เราจ่ายวันนี้ไม่ได้ทำเพื่อเราเราทำเพื่อคนอื่นก็เหมือนไปทําบุญเนยเอาเงินไปซื้ออาหารใส่บาตรก็ประกันชีวิตของพระไปวันหนึ่งใช่แต่ทุกวันที่โยมใส่บาตรให้พระนี้ก็เหมือนซื้อประกันชีวิตให้กับพระถ้าโยมไม่ใส่บาตรเนี่ยชีวิตของพระก็สั้นลงไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็เหมือนซื้อประกันชีวิตใส่บาตรก็เหมือนการซื้อประกันชีวิต คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณโฟก ค, ค่ะพระอาจารย์ครับเมื่อถูกอารมณ์รักโรคโกรธหลงครอบงำแล้วเป็นเวลานานกว่าที่จะพ้นจากอารมณ์นั้นๆได้พอมีทําใดให้ระลึกนึกถึงเพื่อให้หลุดพ้นจากอารมณ์เหล่านั้นได้เร็วขึ้นไหมครับมีก็พุทโธไปท่องพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปแล้วอารมณ์รักชังโกรธหลงมันจะเบาลงไปบางไป คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะขณะที่เรามองภาพและคิดอยู่ขณะนั้นข้างในค่อยๆหดหดค่อยๆหดตัวเข้ามาตรงหน้าตรงหน้าอกความคิดนิ่งไม่มีอยู่นานมากแล้วก็ค่อยคลายออกกิริยาแบบนี้คืออะไรคะถ้าไม่คิดก็เจ็ดสงบเนี่ยถ้าหยุดความคิดได้เจ็ดก็สงบจะเรี้กว่าเป็นสมาธิแบบ น, นก็ได้ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะพอดีอยากให้แม่เลิกผูกใจเจ็บกับคนค่ะเลยบอกไปว่าถ้าผูกใจเจ็บชาติหน้าเกิดมาก็จะเจอคนคนนี้อีกนะถ้าไม่อยากเจอให้เลิกผูกใจเจ็บจะได้ไม่ต้องเจอกันอีกการกระทํานี้เป็นการกระทําที่ถูกเหมาะสมหรือไม่คะเราก็พูดไปแบบไม่รู้จริงหรอว่าจะเจอหรือไม่เจอก็ไม่รู้ต้องบอกว่าอันเนี้เวลาเราโกรธใครเนี่ยเรากําลังทําลายตัวเราเอง เหมือนกาลังเอามีดมาทิ่มแทงจิตใจของเราเพราะความโกรธนี่เป็นเหมือนมีดเวลาโกรธแล้วใจเราร้อนลุกเป็นไฟขึ้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับคนที่ถูกเราโกรธเขานอนหลับสบายเขาไม่เดือดร้อนแต่คนที่โกรธเขาเนี่ยโอ้กินไม่ได้นอนไม่หลับดังนั้นเราต้องบอกให้เห็นโทษของความโกรธจะดีกว่าเพราะมันจะได้แก้ปัญหาได้ในปัจจุบันเลย พอเรารู้ว่าเฮ้ยเรากําลังเอามีดมาทิ่มแทงจิตใจแล้วเราจะได้หยุดทิ่มแทงะแล้วก็หยุดโกรธเขาเท่านั้นเองให้อภัยเขาไปถือว่าเป็นการใช้หนี้กันก็ได้หรือว่าเป็นเป็นเรื่องสุดวิสัยบางทีมันลิ้นกับฟันมันก็ยังกัดกันได้ขบกันได้อยู่ฉะั้นอาจจะมีเรื่องมีราวกันอะไรก็อย่าไปถือสามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ผ่านไปแล้ว อย่ามาทุกข์ใจ อ, อีกชั้นหนึ่งให้ให้งโง่ไปเปล่าๆคุยง่ายๆคำถามต่อไปจากคุณสุธิดาค่ะเหตุที่ทำให้ลูกและสามีมีบุตรยากเกิดขึ้นจากอะไรคะและควรจะวางใจอย่างไรที่ทำให้เราไม่ทุกข์ค่ะอ๋อมาผิดที่แล้วอ่ะต้องไปสมิติเวอไป <c oughs> <c oughs> ไปโรงพยาบาลอันนี้เป็นเรื่องของแพทย์ทางร่างกายเราเป็นทางจิตใจ ถ้าตอบทางจิตใจก็บอกอาจจะเป็นวิบากกรรมของเราก็ได้เราอาจจะมีวิบากกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งทําบาปทํากรรมอะไรมาอย่างหนึ่งหรือทําบุญก็ไม่รู้นะเพราะการมีไม่มีลูกนี้แล้วแต่เราจะมองว่ามองจากมุมไหนถ้ามองจากมุมธรรมะก็ถือว่าเป็นบุญนะถ้ามองจากทางโลกก็อาจจะว่าเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นบาปนะเป็นเป็นทุกข์นะเพราะว่า ไม่ได้ลูกไม่ได้คนมาสืบทอดรับฝุบ่นบาทของเราไม่ได้มีคนมาคอยเลี้ยงดูเราแต่ถ้ามองทางธรรมะกดียังไม่มีคนต้องมาเลี้ยงเราไม่ต้องมาทุกข์กับมันไม่ต้องมากังวลกับมันไม่ต้องมาแบกมันมาเลี้ยงดูมันฉะนั้นก็แล้วแต่จะมุมมองอทางทางธรรมะเขาบอกการไม่มีลูกกดีพระพุทธเจ้าบอกพอได้ยินข่าวว่ามีลูกท่านว่าไงบ่วงตั้งชื่อให้ลูกก็บ่วง ท่านบอกราหุนราหุนแปลว่าบ่วงแต่ความหมายถ้าไม่ได้ตั้งชื่อลูกว่าให้เป็นราหุนแต่มหารเล็กที่มาส่งข่าวได้ยินท่านอุทายว่าราหุนก็เลยประกาบทูลว่าท่านทรงตั้งลูกท่านชื่อลาหุนเอราท่านพูดคําเดียวว่าราหุนท่านไม่พูดอะไรต่อไปออบ่วงเกิดขึ้นแล้วออพอมีลูกก็ต้องมีภาระผูกพันกัน ต้องเลี้ยงดูกันไปจนปวาดจะตายจากกันไปคำถามต่อไปค่ะจากคุณสมบัติจากทาง Facebook ค่ะพญานาคมีตระกูลที่เป็นเทพไหมครับหรือเดรัจฉานทั้งหมดเคยฟังจากหลวงพ่อบางลูกเทพว่าการกรากบไหว้ยพญานาคเป็นสิ่งไม่ควรและพรหมทั้งหลายบนสวรรค์อยู่ในกฎไตรลักษณ์ไหมครับถ้าพญานาคก็ถ้าแปลไม่คิดว่าเป็นมูใหญ่ งูใหญ่เขาเรียกพญาพญาแปลว่าใหญ่นั้นมันก็เป็นสัตว์ในราฉาญชนิดหนึ่งนนเนะเเหมือนกับเราไปกาบงูเขา ก, บกาบ ง, งูจงอางอยงมันก็เป็นงูเท่านั้นเองคำถามต่อไปจากคุณละกิ้มค่ะเป็นคำถามฝากถามค่ะถ้าเราเก็บแมวจรจัดที่ได้รับบาดเจ็บมา เข้ามารักษาจนเขาหายดีแล้วทำวัคซีนเพื่อป้องกันโรคให้เมื่อเขาแข็งแรงแล้วก็นำไปปล่อยไว้ที่เดิมที่เจอเขาอย่างนี้เราขาดความเมตตาหไหมคะจะเป็นบาปหรือไม่หรือจะประกาศคนเลี้ยงแต่ถ้าไม่มีและไม่มีคนรับเลี้ยงเลยเจ้าคะ่ะคนที่ช่วยคนที่ช่วยมาเขาก็เป็นกังวลใจคะ่ะก็มีเมตตาในระดับหนึ่งเปือเมตตาช่วยฟื้นฟูชีวิตของเขาให้กลับมาเป็นปกติ แต่ไม่มีเมตตาที่จะเลี้ยงดูเขาต่อไปแต่ไม่ถือว่าบาปแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่มีกำลังพอที่จะเลี้ยงดูเขาได้เราก็ช่วยได้แค่นี้คือเหมือนกับคนล้มเห็นเขาล้มเราก็ช่วยเขาพยุงเขาให้เขาลุกขึ้นมายืนถ้าต้องรักษาพยาบาลก็รักษาพยาบาลให้เขาพอเขาขาเขาหายแล้วก็ปล่อยเขาเดินของเขาเองก็ไม่ได้เป็นการเสียหายเป็นบาปกรรมแต่อย่างใด แต่ถ้าอยากจะได้บุญก็ช่วยเขาต่อไปแต่ถ้าบางทีช่วยมากเกินไปก็ทําให้เขาเสียนิสัยได้ทําให้เขาไม่พึ่งตนเองได้อย่างนั้นก็ถ้าแมวเราปล่อยเขาแล้วแมวเขาก็จะต้องพึ่งตัวเขาเองเขาก็อาจจะต้องหาวิธีทําให้ตัวเขาอยู่รอดได้เขาก็อาจจะเก่งกาจขึ้นมาก็ได้กว่าถ้าอยู่กับเราเขาก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดวิธี เลี้ยงดูตัวเขาเองเขาก็าาอาศัยรอเราเลี้ยงอยู่ไปตลอดเขาก็จะเป็นเหมือนคนพิการไปเด็กพิการเป็นสัตว์พิการไปมันก็มองได้สองแง่สองมุมนะถ้ามองว่าจะให้เขาได้เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถทําไมสัตว์อื่นที่อยู่ในป่าในเขาเขาไม่มีเจ้คนเลี้ยงทําไมเขาอยู่ของเราได้แ ม, มวก็เหมือนกันนี้แมวมันอาจจะเป็นนิสัยชอบอาศัยกิน เขาจากคนอื่นมากกว่าหากินเองมันก็เลยเป็นกรรมของมันแต่ถ้ามันถูกบังคับให้ให้ต้องดิ้นรนหาเองมันก็ต้องดิ้นรนไปคำถามต่อไปจะคุณนรงชัยค่ะขอกราบเรียนถามว่าการปฏิบัติสติและสมาธิจะสามารถเปลี่ยนอุปนิสัยไปเป็นคนที่ไม่กลัวกล้าพูดแสดงเชื่อมั่นในตัวเองอารมณ์เย็นสงบนิ่งจะเป็นไปได้เองเมื่อจิต ด, ดีขึ้นไหมครับ ก็มีส่วนนะเวลานั่งสมาธิตาจใจสงบใจก็จะนิ่งสงบมั่นคงแต่อาการไม่มั่นใจนี้มันยังเกิดขึ้นได้เพราะเวลาออกจากสมาธิมามันก็เริ่มกลับไปคิดเหมือนแบบเดิมอยู่ต้องเปลี่ยนความคิดต้องใช้ปัญญาอีกขั้นหนึ่งถึงจะทำให้เปลี่ยนได้อย่างเต็มที่ คำถามต่อไปค่ะจากคุณทุมมาวิธีแก้ไขาการตั้งสมาธิแล้วตกภวังหลับจะต้องทำอย่างไรครับ ก, ก็ต้องลุกขึ้นมาเดินแทนแสดงว่าสติเรามีกำลังน้อยไปเพราะว่าเวลาเรานั่งสบายแล้วมันก็จะหลับถ้ามีสติแล้วยังหลับอยู่ก็จะต้องเปลี่ยนที่นั่งเราไปนั่งที่มันน่ากลัวอยูที่ไหนที่มันทำให้เรากลัวมันก็จะตื่นมันก็จะไม่หลับ เป็นไปนั่งแถวเมนแถวป่าช้าหรือไปอยู่ในป่าลึกป่าที่มีศสียสาระศาัถ้าไปนั่งเหนือ่อในที่เหล่านั้นมันก็จะตื่นตัวมากไปยึอยู่ในกุฏิอยู่ในห้องอยู่ในห้องมันปลอดภัยมันก็เลยไม่มีความตื่นตัวขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณตั้มค่ะ ความสุขทางใจที่ร่างกายเป็นเครื่องมือที่มีความแตกต่างจากความสุขทางกายโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออย่างไรครับค่ะความสุขทางใจที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแตกต่างจากความสุขทางกายโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออย่างไรครับคือความสุขทางใจนี่มันมีสองแบบถ้าใช้ทางร่างกายมันก็แบบชั่วคราว เชนเราไปเที่ยวไปกินไ ป, ไปดื่มไปดูไปฟังเราก็เกิดความสุขทางใจแต่เป็นความสุขแบบชั่วคราวเดียวๆแล้วเป็นความสุขแบบยาเสพติดมันจะทําให้เราติดส่วนความสุขทางใจอีกแบบหนึ่งคือการทําใจให้สงบอันนี้เป็นความสุขทางใจที่ปลอดภัยที่ทําให้เราไม่ติดเหมือนคนติดยาเสพติด คือติดเหมือนกันแต่ถ้าเวลาไม่ได้เสพเราจะไม่ทุกข์เหมือนกับคนที่ติดความสุขทางตาหูจมูก น, นิ้นกายคำถามต่อไปจากคุณพี่พบค่ะในบางขณะที่เรามีความสงบไม่มีความอยากมีความไม่มีความรุ่นร้อนจากกิเลสใดๆมารบกวนใจอย่างนี้เรียกว่านิพพานน้อยๆหรือนิพพานชั่วคราวได้หรือไม่ครับจะเรื่องยังไงก็ได้นะมันก็เป็นเพียงแค่คาพูดเท่านั้นเอง ก็ความจริงก็คือเราไม่ทุกข์กับาเองก็จะเรียกมันว่าเป็นสมาธิเป็นสุกจากสมาธิสุขจากนิพพานโชคราวก็ได้คำถามต่อไปจากคุณศักดิิพัฒน์ค่ะขนาดนั่งกําหนดพุทธโธตามลมหายใจเข้าออกพอนั่งนานเข้าลมหายใจสั้นลงสั้นลงผมต้องบังคับลมหายใจให้ยาวขึ้นไหมครับไม่ต้องเนาะมันก็ดูตามความเป็นจริงมันจะสั้นจะยาวก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงไป คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเนื่องจากที่บ้านสามีมีสวนลำไยและสามีคิดจะทําน้ําพึ่งดอกลำไยด้วยการเลี้ยงพึ่งแต่ลูกคิดว่าเป็นการเบียดเบียนสัตว์อาจจะมีการเสียชีวิตของพึ่งในระหว่างการเก็บรังพึ่งเจ้าค่ะแบบนี้ลูกคิดถูกต้องไหมเจ้าคะขอพระอาจารย์ช่วยเมตตาแนะนําด้วยค่ะก็ทําอะไรกับสัตว์มันก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายกับสัตว์นั้นได้ ถ้าเราไม่ระมันระวังงั้นก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อย่าทำอาชีพที่ไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้อื่นดีกว่าอ า, อาชีพแบบที่ทำกับของที่ของของที่ไม่มีชีวิตดีกว่าเพราะทำอาชีพกับของที่มีชีวิตก็อาจจะทำให้เกิดการเสียหายของชีวิตเขาได้คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามค่ะ ทางบ้านมีปัญหากับการที่น้าอยากจะออกบวชเข้าพรรษาแต่ลุงคนโตจะให้น้าไปบวชอีกที่หนึ่งและแม่ของลูกจะให้น้าไปบวชอีกที่หนึ่งและญาติพี่น้องก็ต้องมาทะเลาะกันเพราะเลือกน้าจะบวชเจ้าค่ะลูกสามารถจะทำอย่างไรเจ้าคะขอให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยเจ้าค่ะก็บอกเขาเรียกว่าใครบวชใครคนบวชก็ตัดสินใจใครคนไม่บวชนันไปเจ้าเกี้ยวาการทําะไรกับชีวิตของคนอื่นเขาใช่ไหม กำลังบ้ากันนะเราเพื่อกลังบ้ากันคํคค ำ, นนคำถามต่อไปจากคุณสุตตะค่ะเมื่อมีอาการเจ็บปวดตามตัวแขนขาเกิดขึ้นกับร่างกายควรฝึกใจให้อยู่กับความเจ็บปวดอย่างไรเจ้าคะก็เนี่ยละก็อย่าไปอยากให้มันหายยอมรับมันว่ามันเป็นธรรมดาของร่างกายที่จะต้องเจ็บไายได้ปวดเพราะถ้าไปอยากให้มันหายมันจะทําให้ใจเครียดใจทุกทรมานขึ้นมา คำถามต่อไปค่ะจากคุณทิพวรรณค่ะลูกทํางานเป็นกะไม่เป็นเวลารู้ว่าการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่ดีแต่พอนั่งสมาธิทีไรก็จะหลับประจําพระอาจารย์มีวิธีแนะนําอย่างไรบ้างคะถ้ายังถ้าหลับก็ลุกขึ้นมาเดินเดินแทนเดินตรงกลมไปไปมาไปมาแต่สติก็เหมือนเดิมพุโทโธพุธโทโธไปคบคอยควบคุมความคิดอยาคิดไป อย่าให้คิดแล้วเดี๋ยววมันพอมันรู้สึกตื่นขึ้นมาก็กลับไปนั่งให ม, ม่อไปค่ะ ในความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเราจะมีชีวิตที่เป็นปกติสุขได้ได้วยปัจจัยสี่แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าปัจจัยสีของเราถูกทําลายถูกเบียดเบียนจากการบริหารงานของอํานาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมแล้วเราลุกขึ้นมาปกป้องในปัจจัยสีของเราเองแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราพึงกระทําหรือเปล่าเจ้าคะหรือว่าขัดกับหลักการปฏิบัติธรรมในส่วนของทางโลกหรือเปล่าเจ้าคะทําได้ถ้าไม่เป็นสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับคู่ คือการกระทําอะไรเราทําเพื่อรักษาสิ่งที่เราเป็นเป็นประโยชน์ของเราได้แต่อย่าไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนจากการกระทําของเราถ้าเสียหายเดือดร้อนก็ไม่ควรทำํำพระพุทธเจ้าจบอกให้สละทรัพย์เพื่อรักษาศีลรักษาธรรมให้สละทุกอย่างถ้าต้องเลือกให้รักษาศีลกาทำรักษาความสงบของใจ พอถ้เราไปทําให้ผู้่นเดือดร้อนเราก็จะเดือดร้อนตามมาค่ะ okay. คำถามต่อไปค่ะนั่งสมาธิแล้วชอบติดกลืนน้ําลายพอบ่อยเข้าก็พยายามฝืนเลยทําให้ไม่ค่อยสงบครับแบบนี้จะต้องแก้อย่างไรครับปล่อยมันไหลไปอย่าไปสนใจเวลารู้สึกว่าน้ํำลายไหลก็กลับมาที่พุทโธพุทโธหรือกลับมาที่ลมหายใจดูไปเรื่อยๆมันจะไหลก็ปล่อยให้มันไหลไป คำถามต่อไปจะคุณยุพนนยุพภุพพรค่ะพระอาจารย์ครับตอนเช้าตื่นนอนมาผมจะเดินคล้ายเดินจงกรมแล้วก็สวดมนต์ตั้งแต่บทสรรเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณและบทสวดพุทธมนต์ต่างๆแผ่เมตตาอย่างนี้ถือว่าเราได้ทําบุญด้วยการปฏิบัติบูบชาไหมครับได้ได้ปฏิบัติบูชาการสวดมนต์นี้เป็นการเจริญสติ คำถามจากคุณธีรชาติค่ะความสุขจากความสงบถือว่าเป็นสุขเวทนาหรือไม่ครับถ้าไม่ใช่จะเป็นสุขแบบใดครับเรียกว่าสันติสุขเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตเป็นความนล่องของจิตไม่เกี่ยวกับขันไม่เกี่ยวกับเวทนาไม่เกี่ยวกับสุ ข, ขเวทนาคำถามต่อไปค่ะ ผมเพ่งพุทธโธออกนอกจะผิดไหมครับผมพุทธโธดึงเข้ามาหากายรู้สึกว่าเบลออึดอัดปวดหัวครับแล้วเป็นอาการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ครับ เ, เวลาใช้พุทธโธไม่ต้องไปกังวลกับร่างกายให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปท่านเป็นเป็นความเป็นความคิดเป็นความคิดให้อยู่กับควาว่ากายคิดพุทธโธพุทธโธไปมันก็จะอยู่มันก็จะอยู่ข้างใน แต่มันไม่ได้อยู่ในร่างกายมันอยู่ในใจมนไม่ต้องไปกังวลกับร่างกายเวลาเราพุโทโธคำถามต่อไปจากคุณที่ถามเรื่องพึ่งเมื่อกี้นี้ค่ะว่าพอดีสัปดาห์หน้าต่อไปโยมจะนำน้าพึ่งไปถวายพระอาจารย์ที่วัดเจ้าค่ะถามว่าถวายได้ไหมเจ้าค่ะไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ามีมีพระเวินยอยู่ข้อหนึ่งท่านห้ามไม่พลารับของถ้า ตั้งใจทำเพื่อมาถวายพระโดยตรงเช่นฆ่าไก่แล้วทำแกงไก่มาใส่บาตรแล้วก็บอกพระว่าเนี่ยผมวันนี้ฆ่าไก่มาเพื่อทำแกงไก่เพื่อถวายท่านนี้ ถ, ถ้ามาบอกนี้ก็รับไม่ได้แต่ถ้าเขาฆ่าเพราะเขาเขาจะไปกินแล้วเขาแบ่งส่วนหนึ่งมาใส่บาตรอันนี้ก็รับได้เน้นถ้าจะมาบอกว่าเนี่ยฉันทำให้เพื่องตายเพื่อเชื่อได้น้ำเพิ่งมาถวายพระ ให้ท่านโดยตรงนี้ก็อาจจะรับไม่ได้ก็ได้คําถามต่อไปค่ะการนั่งสมาธิหนึ่งครั้งสามารถกําหนดลมหายใจและกายพุทโธ ท, ที่ปลายจมูกพอเริ่มสงบแล้วก็ปรับมากําหนดลมหายใจที่หน้าอกพอจิตเริ่มออกก็กลับไปกําหนดที่ปลายจมูกใหม่สามารถเปลี่ยนการกําหนดจิตได้ไหมคะหรือควรจะอยู่แค่จุดเดียวค่ะ ควรจะอยู่จุดเดียวดีกว่าเพราะจะได้นิ่งสงบได้ถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจิตมันก็ยังไม่นิ่งคำถามต่อไปค่ะถ้าถืออุโบสถศีลทุกวันพระแต่มีอาชีพค้าขายต้องทำตัวแบบไหนได้บ้างเจ้าคะและถ้าถืออุโบสถแล้วเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตในเวลาที่ถือศีลจะจะตกนรกไหมเจ้าคะออการถือศีล น, นี่มันอยู่ที่เราถือมามากถือมาน้อย แล้วก็เราทำบาปมามากมาน้อยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราวันที่เราถือศีลแล้วตายไปแล้วเราจะไม่ตกนรกถ้าเราทำบาปมาก่อนมากแล้วเรามาถือศีลแค่ครั้งสองครั้งมันก็ยังช่วยอะไรเราไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลเลยเพราะเราไม่รู้ว่าบุญกับบาปที่เราทำตอนที่เราตายนี้อันไหนจะมีมากกว่ากัน ถ้าบุญมากกว่าบาปก็ไม่ไปนรกไม่ไปอบายถ้าบาปไม่มากกว่าบุญมันก็ไปถึงแม้วันนั้นจะถือศีลก็ตามคำถามต่อไปค่ะเกือบทุกครั้งที่รู้สึกไม่สบายทางร่างกายปวดหัวปวดท้องไอน้ำมูกไหลภูมิแพ้หรือแม้กระทั่งตอนที่หนูแพ้ท้องหนักหนักหนูมักจะนั่งสมาธิและอาการต่างๆเหล่านี้จะค่อยคหายไปแทนที่ด้วยความรู้สึกเงียบสงบสบาย อย่างนี้เป็นเพราะอะไรคะและแบบนี้อาการป่วยทางร่างกายไม่ใช่ของจริงหรือคะลองลองถามสักทีเลยค่ะทุกครั้งที่ไม่สบายทางร่างกายปวดหัวปวดท้องคะ่ะหนูมักจะนั่งสมาธิและอาการต่างๆเหล่านั้นจะค่อยๆหายไปคะ่ะและแทนที่ด้วยความรู้สึกเงียบสงบสบายอย่างนี้เป็นเพราะอะไรคะก็จิตปล่อยวางร่างกายบางทีร่างกาย เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะจิตไปไปทำให้มันเจ็บก็ได้เช่นเวลาเราเครียดเราอะไรนี้อาจจะทำให้ร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นราพอจิตสงบขึ้นมาอาการเครียดหายไปอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดจากความเครียกก็หายไปได้หมอถึงบอกว่พวกคนที่เป็นโรคหัวใจนี่อย่าเครียดเครียดแล้วก็ยิ่งทำให้โรครุนแรงขึ้น พอไม่เครียดแล้วอาการของโหัวใจก็จะดีขึ้นได้ความเครียดนี้เป็นความวุ่นวายใจที่มีผลกระทบต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายพอความเครียดหายไปผลที่กระทบกับร่างกายก็จะหายไปด้วยคำถามต่อไปจากคุณอัญญารัตน์ค่ะ มีเหตุอยู <t <t ่ว nice> like ่าตาของหนูนั้นตายโดยการยิงปืนฆ่าตัวตายและเหมือนตอนนี้เขายังไปไหนไม่ได้หนูอยากทราบว่าควรทำอย่างไรดีทําบุญควรทำแบบไหนอย่างไรเพื่อให้เขาไปสู่สุคติเจ้าค่ะก็ทาบุญตามปกตินะทบุญบริจาคเงินทองซื้อของให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเป็นพาก็ได้เป็นโยมก็ได้เช่นตอนนี้ มีคนตกงานไม่มีอาหารกินนี่จะช่วยคนที่เขาตกทุกได้ยากเดือดร้อนใกล้ขเขามีอาหารกินแจกอาหารแจกอะไรมีตู้แบ่งปันก็ไปใส่ของไว้นในตู้แบ่งปันก็ได้หรืออยากจะทําบุญกับพระก็ได้เหมือนกันแล้วก็ทําแล้วเราจะมีความสุขใจความสุขใจนี่แหละแบ่งไปให้กับผู้ตายได้ถ้าผู้ตายรอรับอยู่ เขาก็จะได้รับความสุขใจทำให้ความทุกข์ใจที่เขามีอยู่ตอนนั้นหายไปได้คำถามต่อไปจากคุณเบญจาค่ะกำลังพุดโทในขณะเดินทำงานรู้สึกว่าเห็นมีความคิดปรุงแต่งแทรกจรึงรู้สึกได้ว่าความคิดปรุงแต่งเหมือนรถเมที่วิ่งผ่านหน้าไป จากนั้นนำมาพิจารณาว่าบางทีเราก็กระโดดรถเมย์บางทีเราก็เห็นเหมือนรถเมย์ผ่านไปเฉยๆความคิดเช่นนี้ถือว่านำมาใช้ได้ไหมคะไม่ควรนะใช้พุโทโธดีกว่าปล่อยให้ความคิดมันมาแล้วไปอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าคำถามจากคุณคุณค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นถูกกองกำหนดไว้แล้วหรือว่าเป็นเพราะเลือกเองคะค่ะ เอาเวลาถามดีกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็มีเหตุมีปัจจัยทำให้มันเกิดขึ้นหลายอย่างด้วยกันมันก็บางทีก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเราส่วนหนึ่งก็มาจากคนอื่นเช่นขับรถไปชนกันเนี่ยมันก็ต้องทั้งเขาทั้งเรามันถึงจะชนกันถ้าเราขับคนเดียวเขาไม่ขับมันก็จะชนกันไม่ได้แต่มันก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทาให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้น แต่จะให้เรามามามาติดตามมาค้นคว้าเราไม่ได้เป็นตำรวจใช่ไหมตรวจก็อาจจะมีการสอบสวนเรื่องราวต่างๆนั้นก็อย่าไปกังวลกับมันเลยเหตุการณ์อะไจะเกิดขึ้นก็ให้รู้ตามความเป็นจริงดีกว่าแล้วรู้วิธีปฏิบัติกับมันเอออะไาจะเกิดขึ้นก็ปล่อยวางอย่าไปทุกข์กับมันก็ใช้ได้ คำถามสุดท้ายค่ะคําถามสุดท้ายจากคุณคุณกุลธิดานะคะความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นมากๆเกิดขึ้นควรจะทําอย่างไรคะก็แล้วแต่ว่าเราต้องใช้มันหรือเปล่าความคิดปรุงแต่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องใช้มันส่วนหนึ่งในการดําเนินชีวิตเราก็ต้องคิดปรุงแต่งแต่ถ้ามันคิดปรุงแต่งแบบไม่มีเหตุมีผลเลยขอบเขตแล้วคิดไปในทางที่ทําให้จิตเราฟุ้งซ่านทําให้เราทุกข์เราก็ต้องหยุดมัน การจะหยุดมันก็ต้องใช้คำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือการสวดมนต์นแข่งกับความคิดปรุงแต่งไปแล้วเดี๋ยวความคิดปรุงแต่งก็จะหายไปเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิศพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิ